วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการก็คือการนำโยนิโสมนสิการมาใช้ในทางปฏิบัติหรือโยนิโสมนสิการที่เป็นภาคปฏิบัติการวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือเรียกสั้นๆว่าวิธีโยนิโสมนสิการนี้แม้จะมีหลายอย่างหลายวิธี แต่เมื่อว่าเดียหลักการก็มีสองแบบคือโยนิโสมณสิการที่มุ่งสกัดหรือกำจัดอวิชชาโดยตรงโยนิโสมณสิการที่มุ่งเพื่อสกัดหรือบรรเทาตัณหาโยนิโสมณสิการที่มุ่งกำจัดอวิชชาโดยตรงนั้นตามปกติเป็นแบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดเพราะทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตรัสรู้ส่วนโยนิโสมนสิการแบบสกัดหรือบรรเทาตัณหามักใช้เป็นข้อปฏิบัติขั้นต้นๆซึ่งมุงเตรียมพื้นฐานหรือพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมให้เป็นผู้พร้อมสำหรับการปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปเพราะเป็นเพียงขั้นขัดเกลากิเลสแต่โยนิโสมนสิการหลายวิธีใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่าง คือทั้งกำจัดอวิชชาและบรรเทาตัณหาไปพร้อมกันวิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่พบในบาลีพอประมวลเป็นแบบใหญ่ๆได้ดังนี้ 1. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 2. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 3. วิธีคิดแบบสามั ญ, ญลักษ 4. วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหา 5. วิธีคิดแบบอัฏฐธรรมสัมพันธ์ 6. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 7. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียม 8. วิธีคิดแบบรักกุศล 9. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันและ10วิธีคิดแบบวิพัชวาทะหรือวิพัชวาท